มีมนุษย์หมดเลยอ่ะทำไมทำไมน่ากลัวขนาดนั้นแล้วในบรรดาจาั ก, กรวาลเหล่านี้ทั้งหมดมีพระเจ้าอยู่นี่อันเดียวเนี่ยนี่เจ้าบุญวิบเนี่ยแล้วแล้วเราจะมาเจอไหมเนี่ยมาไหมแล้วมากันได้ยังไงเนี่ยมากันได้ยังไงมาเจอเงี้ยแสดงว่ามีบุญใช่ไหม ใช่ไหมบุญดีใช่ไหมถึงได้มาใช่ไมแต่ประโยค่าดีไหมประโยค่าดีไหมอ้าวเริ่มมาดีมาหลายอายุเท่าไหร่ประโยค่าดีแต่เกิดเลยเปล่าเกิดมาก็พูดออกมาบอกว่าเราเป็นใหญ่เราเประเสริฐเราเป็นเลิศชาตินี้เป็นพบสุดท้ายเลยหรือเลปล่าไม่ไม่ใช่เลยใช่ไหมนั่นไม่ใช่สัตว์มีบุญแล้วถ้งนั้นเนี่ย <laughs> ใช่ไหมอ้าวถ้างั้นลองลองลองมาหน่อย เอาประเภทที่บอกว่าพอได้ยินว่าพุโทโธเนี่ยทนไม่ไหวเลยอยู่ไม่ไหวเลยเป็นจัดประเภทนี้มหมเอาไม่ใช่อีกงั้นกเอาระดับไหนดีอะระดับพอได้ไปฟังธรรมครั้งนึงมีลูกจะเป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวต่างๆเหล่านี้กลับมาเบียดเสร็จแล้วก็จะบวชพอพ่อแม่ไม่ให้บวชแล้วไป น, นอนใ่นอกชานเลยบอกว่าถ้าไม่ได้บวชจะตายแล้วยอมตายแล้วถึงขนาดนั้นไหมอ้าวไม่เปลี่ยนอีก เข้าใจยังเดี๋ยนี้ครนี่เข้าใจคําบว่าประโยคาวิบัติยังเามันเพี้ยนผิดกันมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรานี่เป็นสาตว์ที่มีประโยคสมบัติมีประโยชนคาวิบัติก็ประกอบผิดใขรควรผิดใครคิดผิดมาตลอดนั่นแหละเห่นไหมเพราะเราไม่ทําไม่ใช่ประเภทกระตุ้นแรงข น, นาด น, นั้นเลยเห็นไหม โหยหาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเป็นอย่างนั้นไหมที่ลังวิ่งหงาว่าถู ก, กามก็วิ่งหงาเนคเขมาเนี่ยไหนแรงก่อนกันก็ดูแค่ตรงนี้เนาะใช่ไหม้วจะได้รู้ว่าอ๋อเ น, นี่ยประเภทไหนถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นคำว่าเออมันบุญตัวให้ผลมาเป็นบุญที่ดี แต่ด้วยอัตยาสายที่ยาวนานพ่อประโยคนววิบัติมาแสนยาวนานแล้วก็มาตักเตือนนี่กเรยกลายเป็นคิดผิดมาเติม เ, เอาว่าถ้าอยู่ในสิ่งที่ดีแล้วได้เหตุปัจจัยที่ดีแล้วทำไมถึงคิดไม่ได้ <No. S 1> เนาะอย่างอย่างเนรนเะขาไม่คิดไม่ออกแสดงว่าพบชาติเป็ทัาทบ ม, มาบุญก็ดีนะก็ถูกผลักดันเข้ามาแต่ไม่ได้ใมันน่าการุณากันอย่างนี้นะเนาะ จริงๆเขาน่าจะได้นะเนนะแต่ไม่ได้นะแต่เขาก็มีอัธยาศัยอยู่เงี้ยไม่ใช่ไม่มีถ้าเขาตั้งไว้ดีๆต่างๆก็คิดดีๆน่ะถ้าบุญเก่ามาเตือนเขาจริงเขาไม่ออกหรอกนี่บุญก็ไม่เตือนเขาแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งบุญจะเตือนเขาใช่ไหมแล้วก็ตั้งกรุณาเขาอย่าง้เมตตาทางกรุณาตั้งมุทิตาว่าเออสักวันหนึ่งบุญจะเตือนเขาถ้าบุญเตือนเขาเมื่อไรนะเขาจะเดินออกจากบ้านเลยแล้วเขาจะมาบวช อาตมาไม่ได้ไปยกเลยอาตมาอยากอยากอยากอยากได้ฐานะอย่างนี้ตอนตอนตอนขนาดเขานี่แต่อาตมาถูกปิดถูกห้ามพ่อเนี่ยห้ามเลยถ้าไปถามัาน่นโดยดีท่านเป็นคนห้ามเลยอาตมาอยากบวชแต่อาตมาออกไม่ได้แล้วก็ถูกปิดมาอย่างยาวไกลเลยนะจนอายุสิบเก้าป็นอายุสิบเก้าเลย ถูกกิดยาวไหมาต้องคิดดูที่เหมือนเอาอาณามาไปขังในคุกไม่ทำก็ บ, บุญคุณพ่อไม่แห่อะไรก็ไม่รู้ทำากันมาทำเงินไปแล้วบน่นบ่อยมากบ่นบอกพี่ชายบอกใครพี่ชายก็บอกเฮ้ยนั่นไปพี่ชายเขาไม่ไ ม, ไม่ได้มีอันธพ า, าลอะไรยักทีก็กระดาบ้างว่าบ้างไอความอยากเขาหาว่าอาณมาขี้เกียจ จะหลบงานเพื่อจะมาบวชเข้าใจใช่ไหม mm hmm. เขามองแค่นั้นแหละไปมาก็ฟังไปฟังมาเอือหรือเราขี้เกียจจริงๆว่าก็เลยต้องทํางานกับเขาทําก็ไม่ค่เป็นทําอะไรก็ผิดพลาดเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นทํำอะไรไม่ค่อยเป็นไรไเนไรกทั้งโลกเนี่ยเรามาโง่ที่สุดก็ค mm hmm. อยโง่ทั้งโลกอยู่ยตลอดไปโง่ เนี่ยมันฐานะนี้เป็นบุญก็ามากเลยแต่เราไม่ได้ฐานะนี้เนาะเราไม่ได้ฐานะนี้มันเป็ น, ม, นมันเป็นบุญของเขาเนี่ยที่เขาถูกขับเคลื่อนอะไรก็ไม่รู้พ่อแม่บังใครบ้ังผักดันเข้ามานี่เนึงโอ้ยเออนั่นแหละเขาเขาไปโยกอะไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอ็นไหมแต่ตรงนี้ย ม, มันมันฐานะเราคิดดูที่พวกเราไม่มีฐานะนี้นนั่นกันเลยที่นั่งเนี่ยไม่เป็นผู้ชายเนะี่ย มันไม่ได้นฐานะนั้นเนี่ยแล้วมาฐานะนี้ก็ปลอดโปร่งเขาโล่งมากยุคนี้ยังยังยังเดินได้ด้วยเนาะเขาไม่ต้องดิ้นรนในเรื่องแสวงหาทรัพย์ด้วยเออ่อเขาต้องการจะรู้พระธรรคือเขาจะไม่เดือดร้อนเลยอะเขาไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยนะแต่ว่าเขาคิดไม่ได้มันอะไรฝังใจเพราะเห็นม่สิ่งแวดล้อมที่ไปเกิดแล้วถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นมาเราจะคิดอย่างเขาไม่ได้ก็คิดไม่ต่าง่ากเขาเลยเดี๋ยวนี้เราก็จะถูกแวดล้อมแน่ทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งอะไรกันต่างก็มาล่อกันไป ใช่ไหมติดอาหารจิตใจเกมจิตใจแล้วก็วางไม่ได้ยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะไอ้ดับดักของมันมันเยอะดับดักของมันมันเยอะนี่เนี่ยตรงนี้คือเรามองให้เห็นเลยว่าสถานะบางอย่างเราอยากได้แต่เราก็ไม่ได้แต่คนบางคนได้สถานะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คิดไม่ถูกอีกมันก็เลยเป็นโทษของสังสารวัตรทั้งส่วนเขาและเราเนื้อคู่เลยไม่ต่างกันเลยตอนนี้ใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่อย่างเราเนี่ยน่าจะได้ฐานะนั้นหลายๆคนนะอยากเป็นเพศ ช, ชายเนะี่ยอยากจะได้ผมบ้าเหลืองใช่ไหมแต่หลายๆคนก็อยากออกอย่ า, <c oughs> างพระเออดีแต่เนี่ยเพราะมันมันก็นี่จะได้เห็นไงว่ามันเนี่ยมันเป็นนี้บางคนต่อรองกัน้าสารพัดจะต่อรองกันมานี่อยู่กับเด็กมาในรู้คือ ไอ้มาผ่านผ่านกลุ่มเน้นเหล่า น, นี้มาเยอะมากพยานเฟ้นหาเฟ้นหายิ่งยากขึ้นยากขึ้นนั่นานะจะเจอขนาดเจอประเภทที่เขาตั้งใจแล้วนะต้องดูให้ดีนะเนะี่ยแล้วเขามีอัธยาศัยเดิมแรงนะแต่พอไปเจอสิ่งแวดล้อมอย่างเขาเปลี่ยนนันดีแล้วไปเยอะแยะหมดเลยบางคนนี่จะมาทานแต่เด็กขนาดนี้เลยนะเจอเยอะมาไอ้มาจนเดี๋ยวนี้ไม่ดีจะเสียใจกับเรื่องเหล่านี้เลยนะ เพราะบางคนเนี่ยมาแบบว่าประกาศขออยู่ตลอดชีวิตเลยนะเป็นเด็กๆ เ, เขาพูดขเขาเองทําเขาเองแบบเสร็จแต่เขาเขาพูมาอยู่ได้สักเดือนกว่าๆเขาเปลี่ยนอีกแล้วสแสดงว่าแรงกระตุ้นเขาก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมมทีนี้พอออกไปเขาบอกโอ้บางคนเนี่ยร้องไห้เอาลูกถึกกลัวลูกๆอย่างเงี้ยพอลูกน้องมาทรงนี้พอไปอยู่ได้สักปีกว่าๆผักดันยังไงมันก็ไม่บวชไปเลยเดี๋นี้<ม>อีกเยอะเคยเจ อ, องี้เยอะเนี่ยข้างนี่ก็เจอเดี๋ยวนี้มีครอบครัวไปแล้วชวนบวชยังไม่เอาเลยเดี๋ยนี้ แล้วอีกคน น, นึงอ่ะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยอัธยาศัยมาบวชทุกปีหกจ็ปีนี่มาบวชหมือนบนปีปละเดือนละเดือนนี่นะแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไว้ก็จบเนี่ยอ่เจ้ไปเจ้าไปมหกเขาจะบวชตลอดชีวติตแล้วอันมาเขาหไปไปมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยพูดเรื่องบวชอย่าพูดให้เขาได้ฟังเลยแล้วมาบวชไม่ตามกว่าหกปี เขาทำไมก็ชอบใจพระพุทธเจ้าขนาดหนักแบบ เ, เด็กคนนี้ถ้าเรื่องของพระุธเจ้านี้อ่านหมดศึกษาหมดแล้วต่อมามัหมเขากลับกลายเป็นเด็กที่เก่เที่ยวติดยาเอาสินี่คือโทษจริงๆนถามว่าอะไรอะไรตอนนั้นที่ขับเครื่อนเขาแรงขนาดนั้นแั้นอาตมาจะมีส่วนทาให้คนอีก มุงมันเนี่ยกุริยาได้ในขระน่ำเดียวกันเดีมาก็รักษาสถานะของเขานั้นไม่ได้เพราะเราไม่อยู่กับเขาได้ตลอดสมัยก่อนธรมาเล่าเรื่องประวัติอมุยเย้าพอธรรมมาก็ตื่นเต้นเวลาเล่าใช่ไหมแต่ไม่ได้เล่าลึกซึ้งอย่างนี้เนี่ยเล่าไปตามธรรมชาตินะ่ะเด็กเขาก็โอ้โหตื่นเต้นกัน้ยบางคนโอ้โหอยากดูแลเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่เล่าแล้วเล่าแล้วเขาก็เป็นในพักเดียวแต่เป็นในพักเดียวกระแสจิตเขานะ เป็นอัปยาศาสเข้าไปแล้วงเดี๋ยวเขาสักวันหนึ่งพบใดพบหนึ่งเขาคงน้อมได้บาันฝังในกระแสจิตเข้าไปแล้วก็ถือว่าจะมา ท, ทำตรงนั้นแหละทั้งในด้านของตรงนี้นะจะบอกว่าบรรดามนุษย์อันหาประมาณไม่ได้ในจักรวาลหาประมาณนะมนุษย์แม้สองคนที่จะเหมือนกันเป็นคนเดียวกันโดยมีผิวพรรณและสันธานไม่มีเลยเพราะงั้นคือในมนุษย์เนี่ยนะทั้งจักรวาลเนี่ยนะจะเอาให้มันเหมือนกันเนะี่ย เหมือนกันเป็นอันเดียวกันโดยผิวพันธุ์และสันธานไม่มีดูเหมือนแต่มันไม่เหมือนมันทําไมประหลาดขนาดนั้นเ่ยเห็นไหมมันคนละกรรมจริงๆแม้ฝาแฝดเนี่ยเราลองไปดูดิเราคิดว่ามันเหมือนไม่เหมือนผิวไม่เหมือนสันธานไม่เหมือนบางคนก็เตี้ยหน่อยสูงหน่อยมันจะมีเห็นไหมตัวเหลี่ยมเรื้มล้ํำตัวนั้นมีอยู่และตั้งจักรวาลที่นับไม่ได้มนุษย์ที่หาประมาณไม่ได้เนี่ย อามาเรียงกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตลาดไม่ละกรรมอะ่ะประหลาดในสังสารวัตรเนี่ยประหลาดไม่ตัวดูบุญดูบาดดูผลบุญผลบาเนี่ประลาดมากอัธยาศัยไม่ต้องพูดถึงก็รูปประคันยังต่างกันจริง น, นี้เนี่ยออกมาจากพ่อก็ไม่เคยเหมือนพ่อแล้วก็บอกโอ้ยหน้าตางเหมือนพ่อพูดกันบัดแต่โดยผิวพรรณโดยสันตานไม่เหมือนจริงๆสักลายเลยก็ทั้งตักกวาลผาประมาณไม่ได้แล้วก็ มนุษย์นี่ประมาณนี้แม้มนุษย์เราใดนะที่เป็นพวกบางแห่งซึ่งเป็นพวกคู่น้องเอฟอัฟ้าแปดเนี่ยจะเหมือนกันเป็นเดียวกันโดยพิพันต์โดยสันตานไม่ได้มีความต่างกันนะการมองดูการเหลียวดูการพูดการหัวเราะการเดินการยืนเป็นต้นต่างกันไหมล่ะมันต่างกันได้สันตานในปฏิสุนที่ของสัตว์เหล่านั้นเป็นบางทีก็เป็นตีเหตุบ้างเป็นทวีเหตุบ้างเป็นอเหตุุกขเหตุบ้างยิ่งต่างกันใหญ่เลย กายต่างไหมสัญญาต่างไหมกายก็ต่างกันจริงๆมนุษย์นี่นะจะเผ่าพันธุ์แต่และต่าออกมาจากท้องเดียวกันแม่เดียวกันอะไรก็แล้วแต่เอือกายต่างไหมต่างตัวปฏิสเสธติเหตุทวีเหตุอเหตุกัศในบรรดาติเหตุก็ยังต่างอีกบางคนติเหตุที่มีมีปัญญาเยอะ บางคนตีเหตุปัญญาน้อยไหมบางคนความเพียรเยอะบางคนความเพียร น, น้อยบางคนสติมากเลยนะบางคนสติไม่ค่อยแข็งแรงนี่นะบางคนสมาธิดีสมาธิศรัทธาะไรคว้าไปอินทรีย์ต่างใช่ไหมเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวคนในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของว่าอิทธิบาทก็ต่างฉันทาวิยะจิตตาปัญญาต่างอีกโอ้เป็นอย่างนี้เองสัญญาต่าง ไอ้ติเหตุเหมือนกันเนี่ยแต่ไปต่างกันก็อีกอะไอ้ตัวนามธรรมมีความเข้มข้นไม่เท่ากันเลยก็รูปธรรมยังไม่มีเท่ากันแล้วตัวนามธรรมเนี่ยลองดูเถอะออกว่าท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเนี่ยแต่ท้องแม่นีไม่ใช่ท้องพ่อออกมาจากท้องแม่เดียวกันเนี่ยคานตามกันออกมาเนี่ยนะต่างอาตมากับญาติทุกคนไม่เหมือนกับเขาเลยเขาก็ไม่เหมือนอาตมาหรือเงี้ยทั้งรูปธรรมก็ต่างทั้งนามธรรมก็ต่าง และอัจฉริยะใยก็ต่างสิ้นเชิงไหมสิ้นเชิงด้วยก็ออต่างแต่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่กันได้ <c oughs> ใช่ไหมเป็นลูกใช่ไหมเราลูกต่างอยูอย่ๆไหมล่ะผิวพันต่างไหมปฏิสนธิอัจฉริยะใสต่างหมดเลยนั่นแหละเนี่ยคือกายต่างสัญญาต่าง นี่คือความวิจิตของสังสารวัตรแต่ไม่ใช่ดูอย่างนี้ลรเพลินนะกรรมเป็นตัวจัดสรรสังสารวัตรอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจัดสรรวิปากวัตรใช่ไหมวิปากวัตรเนี่ยวิจิตกรรมวิจิตกรรมวิจิตเอกิเลตคือตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตสัญญาวิจิตเนาะสัญญาวิจิตเพราะกําเนิดวิจิต เราก็เห็นโหจุดต่างงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมใเนี้ยว่านี่คือจุดเห็นความต่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เสร็จแต่นะว่าเราโกรธอะไรใช่ไหมโกรธขันโกรธธาตุโกรธอายตนะแล้วพอใจอะไรพอใจขันพอใจธาตุพอใจอวิชาแลโทรมานะทำไมเดินกับขันอยตนะธาตุเพราะสัตว์นั้นมีวิชาปิดใช่ไม ทำยังไงเราจะเพิ่มเอาวิชาออกได้ก็ต้องอบรมสิกขาสามให้สู่กระแสของขันธาตุอเยตนาให้ได้ใช่ไหมไอตัวเนี้ยต้องปลุกเร้าขึ้นมาบอกว่าถ้าขันธ์ยตนาธาตุนี่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีสิกขาสามพ่อคูณสิกขาสามตอนนั้นการ พ, พ่อคูณสิกขาสามลงในขันธาตุอเยตนาให้มากที่สุดตัว น, นั้นแหละขันธ์อเยตนาธาตุมันจะได้เดินไม่ผิดรูปผิดทางและในที่สุดจริงมันจะเดินออกสังสารวัฏได้เลยตัดสังสารวัฏได้เลยใช่ไหมนี่วันนี้พูดสังสารวัฏเยอะจาง ใช่ไหมถ้าเขียนไม่ได้มันรู้ไปใช่ไหมอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมถ้าเขียนไม่ได้รู้ไปใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขียนไม่ได้อย่างงี้ก็โอ้ไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วตอนเป็นการติวเข้มตั้งแต่ละว่างสามวันเนี่ยสามวันอย่างเงี้ยใช่ไหมไอที่ไม่อาจก็เยอะที่บันทึกไปเนี่ยคงจะได้ประมาณสิบชั่วโมงกว่าด้วยทำไมนะตอนนี้กว่าไปแล้วเนี่ยนะ อันนี้ก็ไปฟังไปโทดทวนที้ประการต่อไปก็คือว่าเหตุบางทวีเหตุบ้างเหตุกขเหตุบ้างเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหมดแมเหล่านั้นจึงชื่อว่านานาตากายานาน่าตัสัญญีมีกายต่างมีสัญญาต่างเนาะอันนี้ชัดเจนเลยนะมนุษย์และเทวดาบางเหล่านี้นะส่วนกายของเทวดาบางพวกในหมู่ชั้นฉะกามาวจรฉะโตหกเนาะตั้งแต่ไหนจะตกลงไปจนถึงปกรณิมิสสวัสวัสดีไปไล่เอา ไปไล่ก็คือไปเรียบเรียงไล่ตามลำดับเนาะในฉากกามาวจรนั้นมีสีเขียวก็มีไหมสีเหลืองมีไหมสีเขียวสีขาวสีเหลืองอะไรต่างๆอันนั้นคือกายเทวดาจะมีกายต่างกันเพราะกรรมวิจิตวิบากของของเขาจะต่างกันใช่ไหมรูปกายของเทวดาแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสีต่างกันโอ้หพูดเงี่ยงเงามากขันทารยตนาของเขาเนี่ยนะมีสีประหลาดประหลาดเป็นไปตามสภาพของกรรม นี่มันผู้พูดเนี่ยทําให้เห็นไมไ่แต่รู้เข้าใจใช่ไหมตามพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเทวดานั้นมีกายตะเชื่อไหมถ้าเราเห็นเทวดากันได้หรือเข้าใจในเทวดาในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราไม่อยากแต่งกายเลยเราอยากแต่งธรรมดาเท่านั้นเพราะอะไรรูม้มเพราะกายของเราี่ของมนุษย์เนี่ยมันหยาบมาก ใช่ไหมนั่นน่ะบกลิงถูกไฟไหม้นั่งอยู่บนตอหางด้วยลิงตัวนั้นกับเทวดาใช่แล้วก็มาเทียบบุคคนที่งามที่สุดนะกับลิ ง, งนะสัตว์โลกทั้งหลายนะที่ว่าเราเง า, างามที่สุดในจักรวาลทั้งสิ้นต่างๆที่อยู่เป็นกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหลายเนะี่ยเหมือนลิง งามเหมือนลิงถ้าไปเทียบกับเทวดาเราจะได้เห็นว่าโอ้โหมันวิจิตขนาดนี้ไอตัวรูปปั้นใช่ไหมรูปปัน้นที่มันถูกกรรมตกแตง่งงั้นเวลาเทวดาเขาเห็นหนางงามจั ก, กรวาลของประเทศไทยนี่หรือของโลกนี่เนะี่ยเขาเห็นเขาบอกโอ้โหทำไมเอาลิงใช่ไหมที่ถูกหางก็ด้วน ดูลิงกแก่ด้วยทำไมเอามาโชว์เป็นคนงามที่สุดได้นาะเนี่ยที่ฉันคือบอกว่าเวลาพระอนุรุท ธ, ธาเนี่ยไปเห็นทเทวดาเนี่ยที่พระเจ้าพาไปดูเนี่ยพระอนุรุทธเออไม่ใช่พระอนุพระนันธาเนี่ยท่านพานันทัดจึงลืมภรรยามันดูใจขนาดนั้นนะวัตถุ ก, การมันลืมเลยลืมแล้วเปรียบเทียบอุปมาออกมาอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็น โอ้โ ห, โหนี่ใช่ไหนถ้าเรามองอย่างสายตาของคนที่จะออกจากวตาทั้งหลายก็จะเห็นโอ้สภาพของในเนี้ยที่ว่าร่างกายเป็นหยาบอย่างนี้ก็เหมาะแก่การที่จะมาเจริญอสุภะภาวนาใช่ไหมนั่นในเทวดานั้นการเจริญอสุภะภาวนาจึงไม่ค่อยชัดนีเหมือนในมนุษย์ในมนุษย์นี่เราสามารถที่จะเข้าไหม ควักไปดูข้างในได้เลยใช่ไหมจะลอกไปดูข้างในก็ได้โอ้เทวในข้างในเต็มไปด้วยของไม่งามอะไรทั้งหลายเป็นต้นใช่ไหมตรงนี้ยฉะนั้นในเทวดาบางเหล่าก็คือมีสีต่างๆกัน ด, ดังที่ได้กล่าวสีเขียวบ้างมีสีเหลืองสีขาวเป็นต้นเนะนะสัญญาณในปฏิสนธิของเทวดาก็มีทั้งติเหตมีไหมทวิเหตเนาะแต่ถ้าเทวดาชั้นทงสูงเขาไม่มีพวกอเยตูกาอยู่แล้วเนาะก็เป็นอย่างนี้เทวดาเหล่านั้นชื่อวนานหนาตากายานานาตสัญญา มีกายต่างก็มีสัญญาต่างส่วนวินิปานิกาบางพวกเป็นพวกที่พ้นแล้วจาระบายนะพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นโลกเปลือดสุรกาสเดระสั ร, ย, สรยันชันเนี่ยนะเหมือนใครเหมือนนางอุตรมาตายัยกษีเนียหรือนางปียังกระมาตานางพรรมคุตตาได้ด้ยในธรรมบทไหมเคยศึกษาในธรรมบทเนาะ กายของวิธีปาฏิกะเหล่านี้มีความต่างกันโดยสีเขียวสีดําและมีผิวด่างมีผิวค้ามเป็นต้นบางทีก็ผอมบางทีก็อ้วนบางทีก็เตี้ยบางทีก็สูงแม้สัญญาปฏิสันธิก็มีความต่างกันก็เลยเป็นติเหตุทวิเหตุแล้วก็เป็นอเหตุุุกะเห็นไหมเขาเป็นอย่างมนุษย์นี่แหละแต่เขาเป็นตระกูลยักษ์พวกตระกูลยักษ์ในผิวเขาดาผมหยิกผิวดําหน้าก็ นีไ่ไหมขอก็สั้นๆเ น, นี่ยนะเขาเป็นอย่างนั้นบางทีเขาก็อยู่ตามเขาอยู่ตามนี่ตต่างอันนี้ตามตำราเนอะตามตำาต า, ต า, ต า, ต า, ตาแต่มาพูดมันเชื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เขามาฟังทำแย่หมดเลยนี่เขาฟังทำแต่เราไม่เห็นเขานี่นะทีนี้เหมือนอย่างพวกมนุษย์วินีจปาจิการเรานี่มีศักย์ใหญ่ อย่างเทวดามีสักน้อยก็มีมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มหาได้ยากถูกความทุกข์บีบขั้นดักเหล่านี้เหมือนเด็กกำพร้าบางพวกก็ค้างแรมลาบากเออค้างเออบางพวกก็ค้างแรมลำบากาบางพวกกค้างขึ้นลำบากนี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกวิวนิปาติกะเพราะมีความหมายว่ามีความตกพินาศไปจากกองแห่งความสุขวินิปาติกะเนี่ยเขาก็ตกไปพินาศไปจากกองของความสุขแล้วเขาไม่มีความสุข เราพน้นได้ยังถ้าไปเกิดเป็นกลุ่มนี้ก็ยุ่งเลยยุ่งเลยต่ยุคปัจจุบันนี้ยุ่งเลยยุ่งมากๆเลยหนักกล่มมนุษย์เครา่งวินิ้ปาติกาบางเหล่าแต่เขาบรร้ทธรได้นะอ่าเขาบรรู้ทําได้ด้วยแต่กูยักเนะี่ยยักบางกลุ่มนี่ดูร้ายด้วยบางกลุ่มดูร้ายทีนี้เพราะเป็นผู้ตกไปจากความพินาศจะกความสุขแม้ว่าเป็น แม้มีความเป็นเทพนะก็ไม่มีทิพยาสมบัติเช้นวินิปัติกรรมเราใดเป็นตีเหตุแม้ตัดสู้ธรรมก็ย่อมมีแก่วินิปันิกรรเหล่านั้นปียังกระรมาตายคินีตอนที่ท่านปนัณฑรุทธะสั่งวัจจะวรธรรมอยู่ในเวลาเช้ามืดนะนนธธเนี่ยท่านปัณฑรุทธะเนี่ยท่านจะสาธยายธรรมพระเนี่ยตอนชา้าตอนอะไรต่างๆเนียบางท่านจะสาทะยายทําไมท่านสาทยารอพระทำไมต้องสาธยายท่านสาทะ ย, ย, ยายทําไมตอบหน่อยดิ อิยอมมันยันสุริสาธยายคือปฏิบัติธรรมนั้นพระที่ท่านเป็นบุญชนเป็นรแรงต่างที่ท่านสาธยายเพราะท่านต้องการจะบรรลุเพราะการสาธยายเพราะการสาธยายบรรลุวันดีเยอะแยะไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันมากกว่านั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใครเคยคิดว่าจะสาธยายก็จะได้บรรลุไหมละ่ะเพราะว่าการบรรลุเนี่ยฟังจากพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมก็บรรลุ ใช่ไหมฮะใช่ไหมตรงนั้นน่ะถามในขณะที่เราไปสวดมนต์เราไปคิดไหมจะได้เป็นปจัจจัยกันบรรลุนี่ใช่ไหมงั้นการสาธยายเขาน้อมสาธยายเพื่อรู้อัฏฐธรร ม, มะเมื เ, เกิดปลามวดปีติประสิทธิความสุขใช่ไหม ฉะนั้นการสาธยายของท่านเนี่ยและอีกอย่างนึงเป็นประโยชน์แกบุคคลอื่นเขาจะสาธยายเป็นสูตรไม่ใช่สาธยายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้สาธยายกันคือขึ้นกลารๆอภิษฐรคุณเนี่ยสาธยายเป็นจบไปเถอคนฟังเยอะสาธยายอยู่คนเดียวแต่ก็มีคนแอบฟังเยอะนี่เราคิดว่าไม่มีใครฟังไงใช่ไหมไปตั้งหลักใหม่แล้วเนี้เวลาสาธยายเนี่ยเชิญท่านทั้งหลายมาฟังก็พระยาจะกล่าวว่าทำ แล้วก็นั่งสายาใหญ่ไปเลยไม่ว้าวีใช่ไหมเทว ด, ดามาฟังบรรลุได้เล ย, น, ยล น, นั่นแหละทีนี้วินิปาติ์กาเราได้เป็นตีเหตุนะแต่สรู้ทําได้ด้วยปิยังการมาตายะคีนีอ่ะที่ฟังท่านพานุษสาธตาใหญ่ท่านได้ฟังแล้วท่านปลอบบุญน้อยของตนเองใช่ไหม บอกว่าดูก่อนปียางกะระเจ้าอย่าส่งเสียงดังภิกษุกำลังกล่าวบทพระธรรมทั้งหลายอยู่เออก็เรารู้แจ้งบทแห่งธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะพึงเต็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแกเราทั้งหลายเราจะสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจะไม่พูดสำสำปรชานมูสาคือจะไม่พูดเทจทั้งทั้งที่รู้ แล้วก็จะศึกษาความเป็นผู้มีศีลดีของตนเราจะพ้นจากกำเนิดปีศาจได้โดยแท้ได้บรรลุโสดาปิผลในวันนั้นเนี่ยฟังที่ท่านฟังท่านสาธยะ